คราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเจ้าอาชาศัตรูได้ปลงพระชนนพระเจ้าพิมพิสารเรียบร้อยแล้วนะคะประชาชนตามหัวเมืองต่างๆก็พากันตั้งกองโจรขึ้นเพื่อลอบโจมตีกองทหารหลวงทุกครั้งที่มีการประทะ ก, กันจะต้องสูญเสียชีวิตล้มตายบาดเจ็บเป็นจานวนมากเขาก็เปรียบนะคะว่า เป็นเหมือนการสาดน้ำว่าถ้าไม่การสาดน้ำแล้วไม่มีฝ่ายใดที่จะไม่เปียกเมื่อมีการทะเลาะมีการโจมตีมีสงครามกันเกิดขึ้นต่างฝ่ายก็ต่างบาดเจ็บล้มตายกันทั้งนี้ฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ใช้ไม้ตายเป่าประกาศให้กองโจรเข้ามอบตัวภายในเจวันมิฉนั้นจะฆ่าพ่อแม่บุตรภรยาของหัวหน้าโจรให้หมดสิน้น ฝ่ายโจรไม่ยอมเข้ามอบตัวเพราะตั้งใจจะขจัดเส้นน้ำของแผ่นดินให้สิ้นไปพระเรวตะได้เทศโปรดให้หัวหน้าโจรยอมเข้ามอบตัวเพื่อเห็นแก่ชีวิตของผู้อื่นและในขณะเดียวกันไม่เพียงแต่เทศโปรดทางฝ่ายหัวหน้าโจรเท่านั้นนะคะพระเรวตะยังได้เทศโปรดต่อพระเจ้าอาชาศตรูให้หยุดการปราบปรามกองโจร และขอให้พระองค์ได้ประทานอภัยไม่เอาโทษต่ตอเราโจรทุกทั่วหน้าพระเจ้าอาชาตสตรูทรงเห็นแก่กความสุขของไพร่ฟ้าข่าแผ่นดินก็ได้ยอมทำตามนั้นนะคะและก็ในวาระเดียวกันนั่นเองพระองค์ได้สํานึกผิดถึงบาป ก, กรรมที่ได้กระทําต่อพระราชบิดาเมื่อมีโอกาสจะได้ทําคนความดีพระองค์จึงทรงยินดีเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นฝ่ายกองโจรที่เข้าป่าก็ออกจากป่าเข้าบ้านกองทหารที่ตามล่ากองโจรก็กลับเข้ากรมกองในเมืองหลวงพ่อแม่ลูกสามีภรรยาได้มีโอกาสพบหน้ากันพระนครราชครึก็ได้กลับมาสู่สันติสุขอีกวาระหนึ่งเราก็ได้ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะ เหตุการณ์ต่อจากนี้ไปน่าติดตามมากทีเดียวนะคะขอเชิญท่านรับฟังได้นปัดนี้ค่ะในที่สุดสันทิสุขที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงก็กลับคืนมาสู่มกัฐพระนรครราชกฤึที่เงียบเหงาซบเซาช่วระยะเวลาหนึ่ง ได้กลับเป็นนครที่มีชีวิตชีวาคึกคักดั่งเดิมถนนและล้านตลาดเกลืนกล่นไปด้วยพ่อค้าประชาชนจากบ้านใกล้เมืองไกลอารามอณารื่นรมและเทวไลพลุกพล่านไปด้วยสมณชีพรามณ์และละทัทธิศาสนาต่างๆแม้กระทั่งกระแตในพระเวฬุวันารามก็ดูท่าทางคึกขนองลำพองใจวิ่งควักไขว่ขวไปมาบนกิ่งไม้ไผ่ ซึ่งออกไปเขียวจะอุ่มร่มเย็นด้วยว่าบัดนี้ฤดูฝนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทุกๆเวลาเย็นจะมีกลุ่มเมฆมหืมมาตั้งเขาขึ้นทางขอบฟ้าด้านปัจจิมทิตก่อนแล้วโคจรไปในน่านฟ้าเที่ยวแจกจ่ายอุทกกทาราอันเย็นช่ำแก่ภาคพื้นทั่วแคว้นมกุฎรัฐมวลรกชาตและตินชาตซึ่งเหี่ยวเฉา มาตลอดชิมหันตรดูได้เริ่มผิออกดอกออกใบเขียวสะพั่งจนเต็มท้องนาท้องทุ่งฝูงปะสุสัตว์ที่อดอยากหิวโหยผอมโซมาเป็นเวลานานต่างอ้วนพีล่ำสันพร้อมที่จะช่วยมนุษย์ลากไถลากคลาดในท้องทุ่งไม่มีทัศนียภาพใดจะนำความสุขสงบใจมาให้แก่ผู้พบเห็นได้ดีไปกว่าภาพฝูงโคฝูงใหญ่ ยืนละเล่มยากกินอยู่อย่างสงบในทุ่งนาสีเขียวมีภูเขาสีน้ำเงินแก่แห่งพระนค ร, ครราชพฤก์และปุยเมฆสีขาวเป็นฉากกั้นอยู่เบื้องหลังและไม่มีฤดูการใดในรอบปีจะนำความสุขใจมาให้แก่ชาวมตรัฐได้ดีกว่าต้นวสัสสันฤดู แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะยังอาลัยรักพระราชธาิบดีพิมพิสารและเกลียดชังพระเจ้าอาชาศัตรูความอาลัยรักและความเกลียดชังนั้นก็นับวันแต่จะลดลงตามหลักของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารเพราะในไหนองค์พระราชธาิุดีผู้เป็นเสมือนร่มโพทองของไพรฟ้าประชาชาก็ได้เสด็จดับขันวายชนไปแล้วแม้จะอาลัยรัก หรือปริเวณธนาการจนน้ำตากลายเป็นสายโลหิตพระองค์ก็ม่มีทางกลับฟื้นคืนชีพมาได้ฝ่ายพระเจ้าอาชาศัตรูนั่นเล่าแม้จะได้ประกอบอนันตริยกรรมก็ทำปิดตุคภาพภายหลังก็ทรงได้สำนึกในความผิดเกิดวิปฏิสารเราร้อนพระไทยเพราะฝฟบาปก็ขวนขวายกระทำความดีมีประการต่างๆเพื่อทดแทนความชั่วของตน มวลชนก็ดูเห็นใจและให้อภัยฝ่ายพระเลวะัตะเถระเมื่อได้พักผ่อนอิริยบทอยู่ที่พระเวรุวานารามจนพอแก่ความต้องการแล้วก็เตรียมจะอำลาสาธมิกและอุบาสกอุบาสิกาออกเที่ยวสัญจรไปตามที่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเกิดเหตุร้าย แต่แล้วก็มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในกนรุงราชฤก์ซึ่งเป็นส ม, มุนอุปสรรคมายุติุดท่านไว้ไม่ให้ด่วนจากพระเวรุวันและพระนครราชฤกษ์ไปเสียกล่าวคือเหล่าเดียร์ลธีนิคนเจ้าลธิซึ่งตกอยู่ในฐานะซบเซาเสื่อมโทรมมานานเพราะพ่ายแพ้ต่อพระพุทธบารมีได้ถือเอาความแตกแยกวุ่นวายของพระสงฆ์อันพระเทวทัตก่อขึ้น เป็นข้ออ้างประกาศโฆษณาใส่ร้า ย, ายหวังทำลายพระธรรมวินยัยและพุทธบริษัทให้ย่อยยับดับสูญไปจากชมพูทวีดูเถิดท่านทั้งหลายเ่าเดินถีเป่าประกาศทั่วกลุ่มราชครืถ้าหากว่าพระสมณะโคดมดีจริงแล้วฉ่าไหนจึงไม่สามารถทรมานพระเทวทัตผู้เป็นสาวกและญาติสนิทของพระองค์เองให้เป็นคนดีหากละถของพระสมณะโคดมดีจริงแล้ว ทำไมไม่สามารถจะเปลี่ยนใจอันหยาบช้าของพระเทวทัตผู้อุปสมบทมาสิ้นกาลนานให้กลับดีได้มิใช่เพราะพระเทวทัตหรือพระเจ้าชายอาชาติศัตรูจึงจับพระชนกปร่งพชนและนําภัยพิบัติมาสู่มคตรัฐและพระเทวทัตนั้นก็เป็นใครเสียอีกเล่าถ้าไม่ใช่สาวกคนสนิทที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบท มาจากสำนักของพระสมณะโคดมโดยตรงท่านทั้งหลายยังจะหลงงมงายเชื่อถือพระองค์อยู่อีกหรือการโฆษณาของบรรดานักบวชนอกศาสนายังผลให้บรรดาสาวกของเขากำเริบทำให้ประชาชนผู้เป็นกลางเอียนเอียงไปเห็นคล้อยตามและทำให้พุทธบริษัทผู้มีศรัทธาจิตเกิดความสงสัยหลังเลในพระรัตนตรยัยข่าวร้ายที่ไหล มากระทบโสดอยู่ทุกวันจากแหล่งต่างๆกันทําให้พระเดวตาเถระเกิดความลังเลใจยอย่างยิ่งใจหนึ่งอยากจะรีบหนีไปเสียจากภาวะการอันยุ่งยากวุ่นวายเพราะอำนาจความไิ่สยาพยาบาทนั้นแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะอยู่ที่กรุงาราชฤทต่อไปเพื่อช่วยหาทางกําจัดปัดเป่าศัตรูแห่งพระธรรมวินยัยให้หมดสิ้นไป นิทาและสรรเสริญเป็นโลกธรรมมีประจําอยู่ในโลกตลอดกาลพระเถระลําพึงกับตัวเองขณะที่กําลังนั่งพักพรออยู่บนแคร่ใต้ร่มกอไผ่ในบ่ายวันหนึ่งพระบรมศาสดาตรัสว่าเราเกิดมาในโลกเปรียบเสมือนช้างสึกเข้าสู่สงครามจําจะต้องอดกลั้นทนทานต่อลูกศรที่ฆ่าศึกยิงมาจากทิศ ท, ทั้งสี่สาธุชน เมื่อถูกนินทาไม่พึงด่วนโกรธควรพิจารณาดูให้ทองแท้ก่อนว่าคำนินทานั้นเป็นความจริงหรือความเท็จถ้าเป็นความจริงเราก็ควรจะชอบใจผู้นินทาเพราะเขามาชี้ให้เราเห็นข้อบกพร่องของเราเองเมื่อเห็นแล้วเราจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวของเราให้ดีขึ้นถ้าคำนินทาไม่เป็นความจริงแต่เป็นความเท็จที่ผู้นินทามาปั้นแต่งขึ้น ด้วยอำนาจของอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิก็แสดงว่าผู้นินทาเป็นคนเลวเพราะเขาตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสถ้าเราโกรธเขาเราก็จะพลอยเลวไปด้วยเพราะเราจะตกอยู่ภายใต้กิเลสคือความโกรธเหมือนกันฉะนั้นไม่ควรจะเอาความเลวของเราไปแข่งกับความเลวของเขาทางที่ชอบที่ถูกควรจะเอาความดีของเราชนะความชั่วของเขา โดยสร้างเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นในใจแล้วแผ่เมตตาธรรมนั้นแก่เขาอย่างนี้จึงจะถูกต้องตามพระพุทธโอวาทอีกประการหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมจะดับไปตามกาลเวลานินทาเกิดขึ้นนินทาก็จะต้องดับไปไม่มีใครจะมานั่งนินทาคนอื่นอยู่ได้ตลอดชาติคิดเช่นนี้แล้วพระเถระก็ตกลงใจว่า ไม่ต่อละต่อเถียงกับพวกเดรธีนิกรนท่านได้ให้อวาดแก่พุทธบริษัทในกรุงราชฤกษ์มิให้โตวาทีวากทะกับพวกเดรธีให้นิ่งเฉยเสียโดยเชื่อว่าในไม่ช้าพวกเดรธีจะเกิดความเบื่อหน่ายเอื่อมละอาแล้วก็เลิกหลาไปเองแต่เหตุการณ์บางอย่างหาได้เป็นไปตามความคาดหมายของคนไม่แม้จะเป็นความคาดหมาย ที่ประกอบด้วยธรรมก็ตามฝ่ายพวกเดรธีนิคนเมื่อเห็นฝ่ายพุทธบริษัทนิ่งเงียบไปไม่โต้อตอบก็เข้าใจว่าพุทธบริษัทยอมพ่ายแพ้และยอมรับจุดอ่อนของตนจึงโ h มการโฆษณาใส่ร้ายเป็นการใหญ่ยิ่งกว่านั้นยังเกิดความฮึกเหิมใจถึงกับประกาศไปทั่วพระนครราชรครึรครว่ว่าถ้าฝ่ายพุทธบริษัทยังยึดมั่นศรัทธา ในลัติของตนและในพระสมณะโคดมขอให้ส่งพระภิกษุผู้เชี่ยวชาญแตกฉานในพระธรรมวินัยไปโตวาทีกับฝ่ายตนน่าสำนักของนิครตที่เชิงเขาอุทยัยด้านบุรพทิศแห่งนครราชคฤภายในเจ็ดวันเมื่อครบกำหนดแล้วถ้ายังไม่ส่งภิกษุผู้แทนไปฝ่ายนิคฤจะถือว่าฝ่ายพุทธบริษัทยอมพ่ายแพ้แล้วอย่างราบคาบ กจากนั้นจะได้ดําเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปเมื่อได้ทราบข่าวการท้าทายของนิครนเทวมิตรอุบาสกก็รีบเร่งไปยังพระเวรุวานารามเข้ารายงานเหตุการณ์ต่อพระเเลวะตะเถระท่านผู้เจริญท่านทราบข่าวพวกนิครนท้าพุทธบริษัทตัววัดีแล้วหรือยังทราบแล้วพระเถระตอบด้วยน้ําเสียงเป็นปกติ แล้วท่านจะคิดการอย่างไรบ้างเทวมิตรถามด้วยท่าทางไม่สบายใจอัตมาไม่คิดอะไรมากพระเถระตอบคำตอบของท่านคงจะทําให้อุบาสกผู้หวังดีต่อพระศาสนาอย่างสุดหัวใจเกิดความงงงวยอยู่บ้างเขาจ้องดูพระเถระด้วยสายตาแสดงความสงสัยอยู่เป็นเวลานานแล้วพูดขึ้นว่าท่านจะปล่อยให้พวกเดรธี โฆษณาใส่ร้ายทับถมพุทธบริษัทอยู่อย่างนี้ไม่กล่าวตอบโต้แก้ข้อกล่าวหาของเขาเลยกันนั้นหรือแทนที่จะตอบคำถามนั้นพระเทระกลับถามว่าท่านเชื่อหรือว่าพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอันเป็นศัจธรรมจะล้มละลายหายสูญไปเพราะการใส่ร้ายของพวกดิร์ธีเทวมิตรนั่งคิดด้วยอาการกระสับกระสายอยู่คู่หนึ่ง และพูดว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อล็อกท่านผู้เจริญว่าพระธรรมวินไยจะเสื่อมสู์ไปภายในสองสาวันเพราะอุปวาตทะของดิรฐีแต่ถ้าพวกเราเดรฐีไม่ได้ละความพยายามในการให้ไร้พระศาสนาและถ้าทางฝ่ายเราไม่โต้อตอบบ้างข้าพเจ้าวิตกเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งศาสนาจะเสื่อมสูญเปรียบเหมือนกองไฟใหญ่ ที Mike, ่กำลังลุกโชดช่วงถ้าบุรุษพยายามดับตื้น้ำที่ระไยมือโดยไม่หยุดยั้งในที่สุดก็อาจจะดับลงได้เหมือนกันเหตุผลของอุบาสกคนสนิทเริ่มทำให้พระเถระเริ่มใช้ความคิดบ้างแล้วสังเกตได้จากการที่ท่านนั่งทอดสายตาไปข้างหน้าอย่างไม่มีจุดหมายและไม่ได้กล่าวโต้ตอบแต่อย่างใดท่านผู้เจริญ เทวมิตะกล่าวต่อไปขอท่านอย่าได้ตายใจนะว่าฐานะของพระศาสนาในมคตรัฐมั่นคงแล้วจะไม่มีวันเสื่อมสลายด้วยภัยใดๆแม้ต้นไม้ใหญ่ที่ถูกเทาย่านซายเกี่ยวพันปกกลุ่มติลน้อยยังเหี่ยวเฉาตายได้ในที่สุดแม้คำสอนของพระบรมศาสดาของเราจะเป็นสัจธรรมมีประจำอยู่ในโลก ก็ยังมีบางยุคบางสมัยที่ไม่มีคนรู้จักเพราะคนส่วนใหญ่ย่อมตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาและโมหะเมื่อถูกโฆษณาชักชวนในทางที่ผิดบ่อยๆเข้าในที่สุดก็ย่อมจะเห็นทางผิดเป็นทางถูกเห็นทางถูกเป็นทางผิดได้เหมือนกันขอท่านได้เห็นแก่พุทธบริษัทชาวมคตรรฐช่วยกำจัดปัดเป่าเสี้ยนน้ำแห่งพระศาสนา ในคราวนี้ด้วยเถิดแต่อัตมาตั้งใจจะออกเดินทางจาลิกอยู่แล้วพระเถระกล่าวขึ้นในที่สุดพระภิกษุรูปอื่นที่สามารถพอที่จะกอบกู้ฐานะของชาวพุทธไม่มีแล้วหรือไม่มีเลยท่านผู้เจริญข้าพระเจ้ามองไม่เห็นใครเลยพระบรมศาสดาและบรรดาพระอาหารหันต์สาวกต่างก็เสด็จไปกรุงสาวัตถีสิ้นแล้ว ถ้าจะส่งคนไปนิมนต์มาปอบโต้กับพวกเดรธีแล้วคงไม่ถันการเพราะเขากำหนดเวลาให้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นข้าพระเจ้ามองไม่เห็นพิษุรูปใดในนครราชฤทิที่จะมีความสามารถพอที่จะโต้วาทีกับพวกนิคนได้นอกจากท่านเท่านั้นถ้าอย่างนั้นให้อัตมาคิดดูก่อนพระเถระตอบด้วยท่าทางลังเลใจ จะให้ข้าพเจ้ามาฟังผลการตัดสินใจเมื่อใดละ่ะอุบาสกถามก็หลังจากนี้ไปสักสามวันเทวมิตะอุบาสกกลับคืนสู่บ้านด้วยจิตใจไม่สบายอย่างยิ่งตลอดระยะทางที่เขาเดินกลับบ้านเขาเห็นฝูงชนจับกลุ่มคุยกันเป็นหมู่ๆตามถนนทุกกลุ่มต่างตกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องพวกนิคน ท้าพุทธบริษัทโตวาทีบางคนถึงกับมีพนันคันต่อว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เจชนะแต่เสียงส่วนมากคือห่างข้างฝ่ายนิครนเพราะเหตุร้ายที่เพิ่งผ่านพ้นไปในกลุ่มาราชฤกษ์และการนิ่งเงียบของฝ่ายพุทธบริษัททวนให้เขามั่นใจว่าฝ่ายพุทธบริษัทจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ วันคืนผ่านไปอย่างเชื่องช้าสําหรับฝ่ายนิคนและสาวกซึ่งกระหายที่จะได้ฟังการประทะข่ารมระหว่างผู้แทนของตนกับผู้แทนของชาวพุทธพวกเขาเฝ้านับวันและเวลาด้วยความตั้งอกตั้งใจในขณะเดียวกันก็เงี่ยหูคอยฟังว่าพุทธบริษัทประกาศรับคําท้าแล้วหรือยังแต่สําหรับพุทธบริษัทวันคืนรู้สึกว่าผ่านไปรวดเร็วมาก เทวมิตรอุบาสกและประชาชนชาวพุทธผู้หวังดีต่อพระาศาสนาต่างเกิดความวิตกกังวลเขาได้ออกไปพบพระเรวตะเถระและรบเราวิงวอนให้รับคำท้าทายของพวกนิคนท่านผู้เจริญเทวมิตะกล่าวขึ้นเมื่อได้ขอฟังข้อตกลงใจของพระเถระในวันที่สามตามนัดหมายท่านได้ตัดสินใจ รับคำท้าของพวกนี้คนแล้วหรือยังยังพระเถระตอบสั้นๆแล้วก็นั่งนิ่งท่านผู้เจริญเทวมิตกรกล่าวด้วยเสียงวิงวอนสงครามกลางเมืองระหว่างข้าพเจ้ากับพระเจ้าอาชาศัตรูได้ยุติลงแล้วเพราะท่านเข้าไกลเกลียก่ยสงครามของข้าพเจ้าได้สิ้นสุดลงแล้วบัดนี้สงครามของท่านเองได้เกิดขึ้นแล้ว เป็นสงครามระหว่างลัทธิศาสนาซึ่งท่านมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างใกล้ชิดเมื่อสงครามของท่านเองเกิดขึ้นแล้วเช่นนี้ท่านกลับจะไม่ต่อสู้ท่านจะปล่อยให้พุทธบริษัทป ร, ระสบความพ่ายแพ้อับอายปล่อยให้พระศาสนาถูกย่ำยีทำลายโดยเหล่าดีรถ์ถีจนพังทลายลงต่อหน้าต่อ ต, อตากระนั้นเ en. ลือเหตุผลของเทวมิตาทําให้พระเถระใช้ความคิดอย่างหนัก เหตุที่ทําให้ท่านต้องคิดมากก็เพราะว่าจิตใจของท่านในเวลานั้นหาได้อยู่ที่กรุงรัชครื้อไม่แต่กลับไปอยู่ที่พระนคพรพหลนาสีซึ่งตัวท่านเองก็ยังไม่เคยไปนอกจากเห็นภาพนิมิตในขณะที่เข้าสมาธิเท่านั้นแต่ภาพนิมิตนั้นเทวปิยบุรุษผู้ท่องเที่ยวไปทั่วชมพูทวีปก็ได้ยืนยันกับท่านแล้วว่าเป็นความจริง เมื่อภาพนิมิตของนครพราณาสีตรงกับของจริงภาพนิมิตของลีลาวดีที่ท่านเห็นในสมาธิก็คงจะตรงกับของจริงด้วยถ้าการคาดคะเนนี้ถูกต้องก็หมายความว่าบัดนี้ลีลาวดีได้กลับมาเกิดใหม่แล้วพนับตั้งแต่ปีที่เธอถึงแก่ความตายมาจนบัดนี้ก็เป็นเวลาย่างเข้าปีที่สิบหกแล้ว ถ้าเธอเกิดทันทีหลังจากตายแล้วบัดนี้เธอก็อน่าจะเป็นหญิงสาวอายุย่างเข้าปีที่สิบหกภาพนิมิตของเธอที่พระเทระเห็นก็ดูอายุอยู่ราวสิบห้าสิบหกปีเป็นอย่างมากความจริงข้อนี้ไม่มีใครจะบอกได้นอกจากจะเดินทางไปพิสูจน์ด้วยตนเองเพราะเหตุนี้พระเลวะเตระจรึงกลุ้นคิดแต่เรื่องกุลงพระนารสี และให้ความสนใจแก่การท้าทายของพวกเดรธีนิคนแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เหตุผลอันหนักนน่นของเทวมิตรอุบาสกก็ทำให้ท่านเกิดความลังเลใจเมื่อไม่สามารถจะตัดสินใจได้พระเถระจึงขอเวลาสำหรับคิดทบทวนดูอีกวันหนึ่งเป็นอันว่าวันที่สองผ่านไปโดยยังไม่มีคำตอบจากฝ่ายพุทธบริษัททาให้พวกเดรธีนิคน เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าฝ่ายพุทธบริษัทจะยอมแพ้ชาววกเดร์ทีผู้ใจร้อนบางคนถึงกับถือธงชัยเปล่าประกาศไปตามถนนว่าฝ่ายเดร์ทีนี่คนประสบชัยชนะอย่างเด็ดขาดแล้วการกระทําของเหล่าเดร์ทีและความเฉยเมยของฝ่ายพุทธบริษัทได้ทําให้ชาวพุทธบางคนเกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งจํานวนชาวพุทธ ผู้หวงต่อพระศาสนาและหลั่งไหลไปสู่พระเวรุวันารามเพื่ออัลัทนาให้พระเลวตะเถระรับคำท้าของนิคนได้เพิ่มมากขึ้นทุกวันหลังจากคิดทบทวนเหตุผลอยู่เป็นเวลานานพระเถระก็ตัดสินใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระศาสนาและพุทธบริษัทอีกครั้งหนึ่งส่วนประโยชน์และการงานของตนจะพักไว้ชั่วคราวก่อน ในบ่ายวันที่สี่ท่านได้บอกกับเทวมิตรอุบาสกว่าอุบาสกอัตมาตกลงรับคำท้าของพวกนิคนยินดีเป็นตัวแทนพุทธบริษัทไปโตวาทีกับผู้แทนฝ่ายนิคนในวันที่เจ็ข่าวพระเรวตะเถระ รับอาสาตัววัีกับฝ่ายนิครนได้แพร่สะพัดไปทั่วกลุ่มราชครื้อย่างรวดเร็วนำความปลื้มปิติอย่างใหญ่หลวงมาสู่พุทธบริษัทฝ่ายนิครบริษัทก็ดีใจไม่น้อยที่ได้ทราบข่าวว่าพระเรวตะเถระซึ่งเป็นเพียงพิสุพุตุชนสาวกผู้น้อยของพระสมณาโคดมจะเป็นผู้แทนพุทธบริษัท ต, ตัววัีทุกคนต่างมันใจยิ่งขึ้นว่า ฝ่ายตนจะเป็นผู้มีชัยเพื่อให้คู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายมีความรู้ความสามารถพอฟัดพอเวียงกันทั้งฝ่ายนิครนก็ได้ประกาศว่าจะส่งนิครนชื่อวีรสีหะเป็นผู้แทนโตวัตีกับพระเลวตะวีรสีหะเป็นสาวกคนสําคัญของท่านมหาวีระผู้เป็นศาสดาหแห่งนิครนทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้แตกฉานในลทัทธินิครน ของตนเองและละทัทธิอื่นๆยิ่งกว่านั้นยังเป็นผู้มีคารลมคงคายเฉลียวฉลาดในการตอบโต้ปัญหาทางปรัชญาอันลึกซึ้งต่างๆอย่างหาผู้ใดทัดเทียมยากเกียติยศชื่อเสียงของวีระีหะเป็นที่รู้จักกันดีทั่วแคว้นมครดวัดชีและอังคะพอได้ทราบว่าพระเรวตะเถระผู้แทนฝ่ายตน จะต้องปราคาลมกับวีลัสีหะพุทธบริษัทก็อดที่จะเกิดความประวัติพันธุพึงเสียมิได้เพราะเกรงว่าพระฤาตะจะเพียงพร้ําต่อเชิงวาัะอันแปลวพรวของวิลัสีหะแต่ก็อุ่นใจอยู่ว่าในอดีตที่ผ่านมาพระบรมศา ส, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยปราคาลมกับพวกนิครนมาหลายครั้งแล้วและทรงประสบชัยชนะทุกครั้ง วันแห่งการโต้คารลมทางาศาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงประชาชนทุกชั้นวรรณะต่างหลั่งไหลไปสู่อารามของนิครนที่เชิงเขาอุทัยตั้งแต่เช้าภายในปา ร, รามอันกว้างใหญ่ไพศาลที่พวกนิครตจัดสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการนี้มีธรรมมาตอันวิจิตสองอันตั้งหันหน้าเข้าหากัน สำหรับให้คู่โตวาทีนั่งพระเรวตตเถระขึ้นนั่งบนธรรมาทด้านทางทิศเหนือส่วนวีรสีหนิครนนั่งบนธรรมาทด้านทิศใต้พุทธบริษั t นั่งในปาลมทางด้านทิศเหนือข้างหลังธรรมาทของพระเรวตตเถระนิครนบริษั t นั่งข้างหลังธรรมาทของวีรสีหนิครนส่วนคนกลางและบริษัทของลทัทธิอื่นๆ นั่งทางด้านขวามือและซ้ายมือที่ไม่สามารถจะหาที่นั่งภายในป่ลําได้ก็นั่งตามใต้ร่มไม้รอบๆป่าลํมนั้นอีกชั้นหนึ่งวันนั้นอารามของนิครนเคลื่อนกล่นไปด้วยฝูงชนดุดกำลังมีงานนักขัดเลิกทั้งใหญ่พอได้เวลานิครนผู้สูงอายุคนหนึ่งผู้มีตัวอันปล่าเปลือยและมีร่างกายอันสู้ผอมร่วงโรยพ่อแหลงตะบะ ก็ยืนขึ้นโบกมือไปรอบๆทันใด น, นั้นเสียงจอกแจกจอแจของประชาชนก็เงียบสงบลงนิครนชลาได้ประกาศขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้าบัดนี้การโต ว, วาทีครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างสาวกของพระสมณะโคดมและสาวกของพระาศาสดามหาวีระจะได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว การโต ว, วาทีคราวนี้จะเป็นไปในรูปแบบของการสนทนาโตตอบให้ฝ่ายหนึ่งถามขึ้นก่อนแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบเป็นสกวาทีและประวาทีถ้าฝ่ายสกวาทียังไม่พอใจต่อคำตอบของฝ่ายประวาทีอนุญาตให้ซักไซไล่เลียงเพิ่มขึ้นได้เมื่อเป็นที่พอใจและไม่มีอะไรจะซักถามอีกก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งซักถาม และตนเป็นฝ่ายตอบให้เป็นการปุจฉาวิสัจนาสลับกันไปแบบนี้จนกว่าจะยุติท่านทั้งสองจะเห็นเป็นประการใดว่าแล้วก็หันหน้าไปทางพระเรวตาเถระเข้าไปเจ้าเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านพระเรวตาตอบด้วยอาการเป็นปกติไม่ได้แสดงอาการหวาดวันต่อคู่ต่อสู้หรือต่อบริษัทแต่อย่างใด พระเจ้าก็เห็นด้วยวีรสีหะตอบด้วยน้ำเสียงแสดงความมั่นใจและด้วยท่าทางแสดงความน่นโลดใจน้ำเสียงและท่าทางของเขาทําให้ฝ่ายนิคนบริษัทยิ้มด้วยความพอใจเออดีมากท่านผู้เจริญทั้งสองนิคนผู้เป็นประธานกล่าวขึ้นข้อต่อไปข้าพเจ้าอยากจะขอปรึกษาท่านเกี่ยวกับการตัดสินใจว่าฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะ เราจะให้มีประธานคนเดียวเป็นผู้ตัดสินหรือจะให้มีคณะกรรมการหลายคนเป็นผู้ตัดสินหรือจะให้ประชาชนทั้งหมดเป็นผู้ตัดสินวีรศิห์ข่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าจะให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินคณะกรรมการนั้นจะต้องประกอบไปด้วยฝ่ายพุทธและฝ่ายนิครณจานวนเท่าๆกันเมื่อเป็นเช่นนี้ฝ่ายพุทธก็จะสนับสนุนฝ่ายพุทธ ฝ่ายนิครณก็จะสนับสนุนฝ่ายนิครณในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็จะได้เสียงสนับสนุนเท่ากันผลการตัดสินก็จะเสมอกันทุกครั้งไปถ้าจะให้คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยคนกลางเราก็ไม่อาจจะทราบได้ว่าเขาจะเป็นคนกลางได้แค่ไหนถ้าจะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเราก็ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรเพราะมหาสังคดิบาสนี้ ประกอบไปด้วยคนเป็นจนํานวนหมืน่นฝ่ายพุทธก็มีฝ่ายนิครนก็มีฝ่ายเป็นกลางกลางก็มีถ้าจะฟังเสียงทุกๆคนก็คงใช้เวลาหลายวันเพื่อแก้ปัญหายุ่งยากเหล่านี้ข้าพเจ้าขอเสนอให้มีประธานเพียงคนเดียวเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดและประธานคนเดียวนั้นควรจะเป็นฝ่ายนิครนเพราะฝ่ายนิครนเป็นผู้ริเริ่มการโตวัทีคราวนี้ พอเวลสีหะพูดจบตอนนั้นประชาชนชาวพุทธก็ส่งเสียงร้องคัดขานขึ้นเกือบพร้อมกันว่ายอมไม่ยอมประธานจะต้องเป็นชาวพุทธเดี๋ยวก่อนท่านทั้งหลายนี่คนผู้เป็นประธานโบกมือห้าม แต่ขหาได้ทาให้เสียงอึงคนนึงของฝ่ายชาพุทธสงบลงไม่ในที่สุดพระเรวัตเถระต้องยกมือขึ้นโบกห้ามเสียงเอ็ดอึ่งนั้นจึงสงบลงท่งานศาทุชนทั้งหลายประธานกล่าวขึ้นอีกเมื่อฝูงชนนั่งสงบเงียบลงตามเดิมแล้วท่านทั้งหลายโปรดอย่าลืมว่าข้อเสนอของท่านวีระศีหะเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้นเมื่อไม่มีใครเห็นด้วย เราก็จะต้องหาทางอื่นต่อไปเพื่อให้การตัดสินเป็นไปอย่างยุติธรรมที่สุดข้าพเจ้าอยากจะขอฟังความเห็นของท่านเรวตะิทธิก่อนว่าจะให้ใครเป็นผู้ตัดสินการโตวาทีคราวนี้ท่านผู้เป็นประธานพระเรวตะกล่าวขึ้นข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านวีรศรีหะคือให้มีประธานตัดสินเพียงคนเดียวข้อเสนอของท่าน ทำให้ชาวพุทธและชาวนิครณประหลาดใจมากเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายพุทธบริษัทต่างมองดูหน้ากันแสดงอาการเลิกลักด้วยความงุนงงเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าผู้แทนฝ่ายตนจะเห็นด้วยกับข้อเสนออันไม่ ย, ยุติธรรมของคู่ต่อสู้อย่างง่ายดายเช่นนั้นขณะที่ทุกคนกำลังงง ง, งันอยู่นั้นเองพระเรวัตเถระก็พูดต่อไปว่าประธานคนเดียวนั้น จะเป็นฝ่ายนิครณก็ได้ฝ่ายพุทธก็ได้ฝ่ายคนกลางก็ได้แต่เนื่องจากว่าสถานที่นี้เป็นสำนักของฝ่ายนิครณและนิครณเป็นผู้จัดการให้มีการโต้วาทีครั้งนี้ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าประธานตัดสินที่ขาดนั้นควรจะเป็นนิครณ พอพระเรวตะพูด ข, ดขัดคำเท่านั้นเองฝ่ายพุทธบริษัทผู้เยาว์วัยและใจร้อนต่างก็ลุกลืขึ้นส่งเสียงร้องคัดค้านอืึมมีฝ่ายชาวพุทธผู้สูงอายุต่างนั่งนิ่งจ้องดูพระเถระผู้แทนฝ่ายตนด้วยความตกตะลึงงงงันและความไม่พอใจต่อท่าทีอันแปลกประหลาดของท่านทุกคนไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพระเถระจึงยอมเสียเปรียบให้แก่ฝ่ายศัตรู ตั้งแต่แรกเริ่มเช่นนั้นเพราะถ้ามีประธานตัดสินเพียงคนเดียวและเป็นฝ่ายนิครนเขาเกิดจะต้องตัดสินให้ฝ่ายเขาชนะอย่างไม่มีปัญหาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าพระเถระยอมรับความพ่ายแพ้แล้วตั้งแต่ต้นถ้าเช่นนั้นท่านจะรับอาสาเโต้วาทีกับพวกนิครนทาไมพระเถระปล่อยให้เหตุการณ์วุ่นวายดําเนินไปครู่หนึ่งจึงประกาศขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า พุทธบริษัททั้งหลายโปรดฟังอัตมาก่อนโปรดอย่าด่วนตัดสินใจตามความเข้าใจของตนเองท่าทีอันสงบเสงี่ยมและน้ำเสียงอันเยือกเย็นของท่านทำให้พุทธบริษัทนั่งลงและสงบนิ่งคอยฟังทันทีเมื่อประชาชนเงียบสงบลงแล้วพระเถระได้หันหน้าไปทางนิครนผู้เป็นประธานแล้วกล่าวว่าท่านผู้เป็นประธาน ก่อนที่ข้าพเจ้าจะยินยอมให้ท่านเป็นประธานตัดสินการโต้ ว, วาทีคราวนี้ข้าพเจ้าอยากจะปรับความเข้าใจกับท่านก่อนอันการต่อสู้แข่งขันทั้งหลายระหว่างคนสองคนหรือหลายคนนั้นย่อมมีผลเป็นสามประการไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือชนะแพ้หรือเสมอกันใช่หรือไม่นิคนชลานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งด้วยความไม่แน่ใจว่า พูดแทนฝ่ายพุทธจะมาในแง่ไหนแต่แล้วก็ตอบว่าเออใช่ท่านภูมิอายุดีละท่านประธานพระเถระกล่าวต่อไปข้าพเจ้าอยากจะถามต่อไปว่าการชนะก็ดีการแพ้ก็ดีการเสมอกันก็ดีเป็นเรื่องที่พูดตัดสินจะเสกสรรปั้นแต่งขึ้นเองหรือว่าเป็นผลงานของคู่แข่งขันโอ ก็เป็นผลงานของคู่แข่งขันละสิประธานตอบจ้องดูพระเลวตะแทบใม่กระพริบตาประชาชนจำนวนมืน่นต่างจ้องดูพระเถระเป็นตาเดียวกันถ้าอย่างนั้นประธานผู้ตัดสินก็ไม่มีอำนาจที่จะทำให้ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ชนะหรือแพ้หรือเสมอตามความพอใจของตนเป็นแต่เพียงผู้ชี้แจงไปตามความเป็นจริงว่าฝ่ายนี้ได้คะแนนเท่านั้น ควรชนะฝ่ายนั้นได้คะแนนเท่านั้นควรแพ้หรือทั้งสองฝ่ายได้คะแนนเท่ากันควรเสมอกันอย่างนี้ใช่หรือไม่อ๋อใช่แล้วประธานตอบด้วยเสียงเบาๆพระเรวตะหันไปทางพุทธบริษัทแล้วกล่าวขึ้นว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านทั้งหลายคงเห็นแล้วว่าผลการแข่งขันทุกอย่างย่อมเป็นผลงานของคู่แข่งขันเอง พอแข่งขันเสร็จสิ้นลงคนดูคนฟังก็จะทราบได้ทันทีว่าฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใ ด, ยดชนะผู้ตัดสินเป็นแต่เพียงผู้ประกาศผลนั้นอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นผู้ตัดสินที่ดีมีความยุติธรรมคือผู้ประกาศผลตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความประสงค์ของตนเพราะฉะนั้นผู้ตัดสินจึงไม่สาคัญนักจะเป็นใครก็ได้ขอให้เป็นคนรักความจริง และความยุติธรรมก็แล้วกันพระเถระหันไปทางนิคนชลาผู้ทาหน้าที่ประธานชั่วคราวแล้วถามว่าท่านจะให้สัญญาแก่พุทธบริษัทได้ไหมว่าท่านกระทาหน้าที่ด้วยความยุติธรรมโอ้อข้าพเจ้าให้สัญญานิคนชลาตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างทาท่าว่าจะดาเนินไปด้วยดีนั่นเอง ทเท ว, วมิตรซึ่งนั่งอยู่ ใ, น ใ, น ใ, นใกล้ๆกับธรรมาทของพระเดวตะก็รู้ขึ้นพูดว่าท่านผู้เจริญการแข่งขันบางอย่างอาจจะนับคะแนนรู้ว่าใครแพ้ใครชนะได้ง่ายเช่นอย่างการวิ่งแข่งกันกรรมา ก, การและคนดูย่อมเห็นได้ชัดว่าผู้ใดถึงหลักใจก่อนผู้ใดถึงที่หลังหรือการเล่นสกาก็นับคะแนนได้ง่ายกว่า ใครได้คะแนนเท่าไหร่แต่การโต้วาทีเกี่ยวกับปรัชญาอันลึกซึ้งอย่างนี้ย่อมนับเป็นคะแนนไม่ได้แน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ตัดสินย่อมมีทางที่จะตัดสินได้ตามความคิดเห็นของตนเองข้าพเจ้าเกรงว่าฝ่ายพุทธบริษัทจะไม่ได้รับความยุติธรรมถ้าให้ฝ่ายนิคนเป็นประธานตัดสินพอเทวมิตรอุบาสกกล่าวจบ ก็มีเสียงสนับสนุนเขาเอ็ดอึงขึ้นในกลุ่มของชาวพุทธแต่พระเถระได้กล่าวขึ้นว่าดูก่อนอุบาสกขอท่านอย่าได้วิตกเลยแม้การโตวาทีจะให้คะแนนได้ยากอัตมาก็จะแสดงให้ดูว่าเราอาจจะให้คะแนนเป็นตัวเลขหนึ่งสองสามได้ท่านได้หันไปทางวิลาสีหะคู่แข่งขันแล้วพูดว่าท่านวิรีหะ เพื่อให้ประธานผู้ตัดสินให้คะแนนได้อย่างถูกต้องข้าพเจ้าใพรขอเสนอวิธีปฏิบัติดังนี้คือถ้าฝ่ายถามสามารถาซักไซไล่เลียงฝ่ายตอบไปถึงที่สุดจนฝ่ายตอบอัดอั้นตันปัญญาตอบไม่ได้หรือยอมรับว่าเป็นจริงตามที่ฝ่ายถามเสนอขอให้ถือว่าฝ่ายซักถามได้หนึ่งคะแนนทุกครั้งไปเมื่อฝ่ายตอบจนต่อเหตุผลแล้ว ก็ขอให้ฝ่ายตอบกลับเป็นฝ่ายถามบ้างสลับกันไปอย่างนี้ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ข้าพระเจ้าเห็นด้วยวิรศิษฐตอบอย่างมั่นใจเอาละถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันตกลงพระเทระพูดแล้วก็หันไปทางนิครนชลาผู้ทาหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านทาหน้าที่เป็นประธานคอยให้คะแนนและประกาศผลในตอนสุดท้าย พระเถระได้หันไปยังประชาชนที่อยู่รอบๆตัวและประกาศว่าท่านทั้งหลายเมื่อเข้าใจหลักเกณฑ์การให้คะแนนดีแล้วก็โปรดให้คะแนนไปด้วยเพื่อว่าในตอนสุดท้ายถ้าเกิดมีปัญหาใดๆขึ้นจะได้ช่วยเป็นพยานบัตรนี้เราได้ตกลงเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆเรียบร้อยแล้วสมควรจะเริ่มโต้วาทีได้แล้วข้าพเจ้าอยากทราบว่า ให้ฝ่ายใดเป็นผู้เริ่มต้นถามก่อนข้าพเจ้าใครจะถามก่อนววลาสีหัดตอบทันทีด้วยความมั่นใจว่าตนมีคำถามอันเด็ดขาดที่จะซักไซไล่เลียงคู่ต่อสู้ให้จนมุมได้มีเสียงคัดค้านดังขึ้นจากกลุ่มชาวพุทธบ้างแต่ก็ถูกพระเถระห้ามไว้ท่านได้ชี้แจงว่าการถามก่อนหรือหลังไม่ใช่ข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเพราะฝ่ายตอบ อาจจะถามย้อนกลับได้ทุกเมื่อถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะเริ่มถามปัญหาแรกกับท่านวีรศิหะพูดด้วยท่าทางกระยิมยิ้มย่องประชาชนคนฝั่งทุกฝ่ายต่างเงียบกริบตั้งใจคอยฟังว่าฝ่ายนิครนจะเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรข้าพเจ้าขอถามว่าพระเทวทัตมีความอาฆาตพยาบาทในพระสมณโคดมจริงหรือไม่ คำถามของวีรศีหะเป็นการจี้จุดอ่อนของพุทธบริษัทอย่างมีแผนล่วงหน้าทําให้ชาวพุทธเกิดอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายใจขึ้นมาทันทีตรงกันข้ามกับฝ่ายนิครนที่แสดงความพอใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดใช่พระฤวตะเถระตอบด้วยน้ำเสียงและกริยาท่าทางเป็นปกติวีรีหะยิ้มอย่างพอใจแล้วถามต่อไปว่า พระเทวทัตได้คบคิดกับพระเจ้าอาชาศัตรูยุยงให้พระองค์โปร่งพระชนพระราชาธิปดีพิมพ์พิสารจริงหรือไม่ใช่พระเรวัตตอบยืนยันพระเทวทัตได้สมคบกับพระเจ้าอาชาศัตรูให้ปล่อยช้างนาราคีรีไปสังหารพระสมณะโคดมได้จ้างให้นายขมังธนูไปยิงพระสมณะโคดมและได้ปีนขึ้นไปบนยอดเขาคิดจกูด ลิ้งก่อนหินลงมาหวังใจะให้ทัพพระสมณะโคดมจริงหรือไม่วีระีห์ถามอย่างรวดเร็วใช่พระเรวตะตอบยืนยันแบบเดิมพระเทวทัตได้ทําให้พระสงฆ์สาวกของพระสมณะโคดมแตกแยกออกเป็นสองพวกจริงหรือไม่จริงพระเถระตอบรับพระเทวทัตเป็นพระญาติสนิทของพระสมณะโคดม และได้ออกบรรพชาศึกษาปฏิบัติอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์มาเป็นเวลาช้านานใช่หรือไม่ใช่พระเถระตอบวิรศีหายิ้มอย่างได้ทีแล้วยังหันไปโปรยยิ้มให้พักพวกของตนอีกด้วยพระเทวทัตเป็นคนชั่วช้าเร็วสามมีจิตสันดานเต็มไปด้วยกิเลสาสะวะใช่หรือไม่ใช่พระเถระตอบยืนยันอย่างเดิม ท่านผู้เจริญทั้งหลายวีระีหีประกาศแก่ประชาชนด้วยเสียงอันดังเมื่อข้าพเจ้าถามว่าพระเทวทัตเป็นคนทั่วช้าก็ดีถามว่าพระเทวทัตเป็นพระญาติของพระสมณะโคดมเป็นผู้ออกบรรพชาและปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระสมณะโคดมมาเป็นเวลานา น, านก็ดีพระเรวัตะผู้มีอายุก็ตอบรับว่าเป็นความจริงทุกข้อ ก็เมื่อเป็นเช่นนี้วินยุชนทั้งหลายย่อมจะเห็นพ้องต้องกันกับข้าพเจ้าว่าพระธรรมคําสั่งสอนของพระสมณะโคดมนั้นเป็นสิ่งไร้ผลเพราะไม่สามารถจะทําคนชั่วให้เป็นคนดีได้ข้อนี้เป็นความจริงหรือไม่ท่านรู้เห็นอย่างไรให้ตอบอย่างนั้นเป็นความจริงบรรดานิคนทั้งหลายตอบขึ้นเป็นเสียงเดียวกันจนดังกึกข้องไปทั่วอารามเสียงตอบ และท่าทีแสดงความยินดีปรีดาของเขาทำให้ชาวพุทธรู้สึกหน่อยเหงาเศร้าโศกลงไปอย่างเห็นได้ชัดทุกคนจ้องดูพระเถระด้วยความหวาดวันความสงสัยและความสงสารระคนกันไม่ทราบว่าผู้แทนฝ่ายตนจะสามารถแก้ข้อกล่าวหาซึ่งเป็นความจริงของฝ่ายปรปักได้หรือไม่ วิราสีหาหันหน้าไปทางนิครผู้เป็นประธานแล้วกล่าวขึ้นด้วยท่าทางกระปี้กระเปล่าว่าท่านผู้เป็นประธานท่านได้ฟังแล้วมิใช่หรือว่าพระเรวตะผู้มีอายุได้ตอบรับว่าเป็นความจริงตามที่ข้าพเจ้าถามทุกประการข้าพเจ้าสมควรจะได้รับคะแนนในตอนแรกนี้แล้วหรือยังประเดี๋ยวก่อนท่านประธานพระเรวตะกล่าวขึ้นในที่สุดท่านจะให้คะแนนตอนนี้ยังไม่ได้ เพราะข้าพเจ้ายัางไม่ได้ตอบโต้ประเด็นสำคัญของท่านวิลัสีหะเลยประเด็นสำคัญของท่านผู้ถามอยู่ที่ว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผลเพราะไม่สามารถจะทําให้พระเทวทัตผู้ชั่วช้าเลวสามให้เป็นคนดีได้ข้าพเจ้าอยากจะขอโอกาสแก้ประเด็นนี้เสียก่อนถ้าข้าพเจ้าแก้ไม่แจ่มแจ้งชัดเจนก็อนุญาตให้ท่านวิลัสีหะ ซักถามเพิ่มเติมได้ถ้าท่านซักไปปรากฏว่าข้าพเจ้าตอบท่านไม่ได้ข้าพเจ้ายินดีจะยกคะแนนให้เป็นของท่านแต่ข้าพเจ้าก็ควรจะได้รับคะแนนตอนนี้หนึ่งคะแนนวีรสีหะยังคงเถียงเพราะท่านเองได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าถ้าฝ่ายตอบยอมรับว่าเป็นความจริงตามที่ฝ่ายซักถามฝ่ายถามย่อมได้คะแนนหนึ่งคะแนน บัดนี้ท่านก็ยอมรับแล้วว่าพระเทวทัพเป็นคนชั่วเป็นผู้ปองร้ายพระสมณโคดมเป็นผู้ยุยงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูกระทําปิตุคาตเป็นผู้กระทําสังฆเภทเมื่อท่านยอมรับแล้วเช่นนี้ชนไหนก็ไปเจ้าจึงไม่ควรจะได้คะแนนเล่าเมื่อวีรสีหะพูดจบบรรดาสาวกของนิครนต่างส่งเสียงเอออื่นขึ้นว่าต้องให้วีรสีหะหนึ่งคะแนานฝ่ายชาวพุทธ ก็โต้อตอบเอาบ้างว่าไม่ควรจะได้คะแนนการโต้เถียงกันระหว่างสาวกทั้งสองฝ่ายดำเนินไปอย่างเป็นโกลาหลจนแทบจะยุติการโต้วาทีเอาทีเดียวเมื่อเห็นว่าการโต้เถียงในเรื่องเล็กน้อยทำท่าจะกลับ กลายเป็นเรื่องใหญ่โตพระเรวตะเถระจึงได้โบกมือให้ฝ่ายพุทธบริษัทหยุดการโต้เถียงการกระทําของท่านได้ผลเพราะปรากฏว่าชาวพุทธได้หยุดการโต้เถียงกลับลงนั่งตามที่ของตนเมื่อเห็นฝ่ายพุทธบริษัทนั่งลงฝ่ายนิครนบริษัทก็นั่งลงบ้างพระเถระได้กล่าวขึ้นเมื่อบรรยากาศสงบแล้วว่าท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าหากเราทุกคน จะทำหน้าที่เป็นผู้โตวาทีเสียเองโดยไม่มอบให้ผู้แทนทั้งสองฝ่ายโต้กันการโต้วาทีวันนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เมื่อการโตวาทีเป็นไปไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ข้าพเจ้าจะมานั่งอยู่ที่นี่ปรากฏว่าคาประกาศของพระเถระทำให้บริษัททุกฝ่ายเงียบกริบลงทันทีก่อนที่จะดำเนินการโตวาทีต่อไปข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลาย ยอมรับสะก่อนว่าท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้ฟังอย่างเดียวจะไม่พูดสอดขึ้นโต้แย้งคัดค้านใดๆทั้งสิน้นขอให้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้ากับท่านวีรสีหะแต่เพียงสองคนเท่านั้นท่านผู้ใดเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ขอให้นั่งอยู่นิ่งๆถ้าผู้ใดไม่เห็นด้วยขอให้ยืนขึ้นพูดออกมาพูดจบแล้วพระเถระก็หันมองไปที่รอบๆที่ประชุมเพื่อจะดูว่า จะมีใครคัดค้านบ้างหรือไม่ครู่ใหญ่ผ่านไปก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดยืนพูดคัดค้านเป็นอันว่าท่านทั้งหลายยอมรับแล้วว่าจะเป็นผู้ฟังอย่างเดียวพระเถระพูดขึ้นดีแล้วขอให้ทุกคนปฏิบัติตามปฏิญญาของท่านอย่างเคร่งครัดต่อไปนี้ข้าพเจ้าใกล้จะขอพูดถึงเรื่องที่ค้างอยู่เมื่อสักครู่นี้ให้เป็นที่ตกลงกันเสียก่อน ท่านวีระศีหะผู้มีอายุท่านยังเห็นว่าท่านควรได้รับคะแนนจากการซักถามข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องพระเทวทัตที่ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นความจริงทุกประการนั้นอยู่หรือข้าพเจ้าเห็นว่าข้าพเจ้าควรจะได้คะแนนวีระศีหะตอบยืนยันแต่น้ําเสียงแสดงความไม่ค่อยจะมั่นใจนะักเพราะตั้งแต่การโต่ ว, วาทีมาจนบัดนี้รู้สึกว่าคู่ปราปรักของตนแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้มีวาทะเด็ดขาดสามารถกำราบประชาชนให้สงบเงียบได้อย่างดียิ่งเอาละพระเถระพูดต่อไปข้าพเจ้ายินดีจะยกคะแนนให้เป็นของท่านแต่ท่านอย่าลืมว่าการถามเอาความจริงบางอย่างให้ผู้ตอบยอมรับว่าเป็นความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากข้าพเจ้าเองอาจจะถามความจริงบางอย่างให้ท่านยอมรับและทำคะแนนให้แก่ตนเองได้ ไม่รู้จักสิ้นสุดสําหรับข้าพเจ้านั้นเห็นว่าการซักถามความจริงบางอย่างให้คู่ต่อสู้ยอมรับนั้นเป็นเพียงวิธีการชักนําให้คู่ต่อสู้เข้าสู่จุดสําคัญของการโต้วาทีเท่านั้นไม่ใช่จุดสําคัญที่แท้จริงตัวอย่างเช่นการที่ท่านถามข้าพเจ้าว่าพระเทวทัตเป็นคนชั่วจริงหรือไม่และข้าพเจ้าก็ได้ตอบไปตามความเป็นจริงว่าจริงนั่นไม่ใช่จุดสําคัญของเรื่อง เป็นเพียงการชักนําไปสู่จุดใหญ่ประเด็นสําคัญอยู่ที่คํากล่าวในวาระสุดท้ายของท่านที่ว่าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีผลเพราะไม่สามารถทําคนชั่วให้เป็นคนดีได้นี่คือประเด็นสําคัญของเรื่องที่ท่านเสนอขึ้นมาข้าพเจ้าจะต้องแก้ประเด็นนี้ให้ตกถ้าข้าพเจ้าแก้ไม่ตกท่านก็จะได้คะแนนหนึ่งคะแนนแต่ถ้าข้าพเจ้าแก้ตก ก็ไม่มีฝ่ายใดได้คะแนนเป็นอันเสมอกันไปการให้คะแนนควรจะถือการแก้ปัญหาเป็นสําคัญไม่ใช่ให้คะแนนจากคําถามเล็กน้อยที่นําไปสู่ประเด็นใหญ่ข้าพเจ้าจึงอยากจะถามท่านดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาอย่างไรแน่พอพระเถระพูดจบนิครนผู้เป็นประธานได้เดินตรงไปหาวีระศีหะทั้งสองพูดจากันเสียงเบาๆอยู่ครู่หนึ่งและ ว, วีระศีหะก็ได้พูดขึ้นว่า ถ้ายอย่างนั้นขอให้เป็นไปตามที่ท่านเสนอคือให้ประธานให้คะแนนตามประเด็นสําคัญถ้าผู้ตอบตอบประเด็นสําคัญของผู้ถามไม่ได้ผู้ถามก็มีสิทธิ์ได้หนึ่งคะแนนข้าพเจ้าตกลงการโต้วาทีของเราดำเนินไปด้วยความเข้าอกเข้าใจอันดีต่อการเช่นนี้ก็คงไม่มีอุปสรรคใดๆขัดข้องอีกต่อไปพระเรวีตะกล่าวด้วยความพอใจต่อข้อตกลง ของคู่ต่อสู้ต่อไปนี้ก็ถึงวาระของข้าพเจ้าที่จะแก้ข้อกล่าวหาของท่านประเด็นสำคัญของท่านมีอยู่ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผลเพราะไม่สามารถทำพระเทวทัพผู้ชั่วร้ายให้กลายเป็นคนดีได้อย่างนี้ใช่หรือไม่ใช่วีระสีหัตอบรับอย่างหนักแน่นเอาละข้าพเจ้าเข้าใจประเด็นสาคัญของท่านแล้ว หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะเข้าใจแล้วเช่นเดียวกันต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอซักถามท่านบ้างท่านรู้เห็นอย่างไรขอให้ตอบตามความเป็นจริงปัญหาแรกที่ข้าพเจ้าอยากจะถามก็คือพระสาวกของพระบรมศาสดา ส, ดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉพาะที่เป็นพระภิกษุบริษัทธมีจํานวนมากใช่หรือไม่วีรสีหะนั่งตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าใช่ ท่านพอจะบอกโดยกะประมาณได้ไหมว่าพระภิกษุมีจำนวนร้อยจำนวนพันหรือจำนวนหมืน่นข้าพเจ้าไม่ทราบจานวนแน่นอนแต่เข้าใจว่าจะมีเป็นจำนวนหมืน่นวิลสีหะตอบอย่างระมัดระวังคำตอบของท่านถูกต้องทีเดียวพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีจำนวนเป็นหมืน่นท่านยอมรับหรือไม่ว่าพระสงฆ์เหล่านั้นมาจากคนทุกชั้นวรณนะ ในชมพูทวีปบางคนก็เคยเป็นคนชั่วช้าเร็วซามมาก่อนแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมคําคสั่งสอนของพระบรมศาสดาจึงกลับตนเป็นคนดีข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นความจริงวีระศีหะตอบรับและแถมท้ายด้วยเรื่องส่วนตัวของผู้ถามว่าบางคนก็เคยเป็นมหาโจรมาก่อนเช่นท่านเรวัตผู้มีอายุเป็นต้นคําตอบอันเนบแนม ด้วยเรื่องส่วนตัวของวีระศีหะทำให้ฝ่ายสาวกของพวกนิครนหัวเราะคลืนออกมาด้วยความพอใจทำให้ฝ่ายพุทธบริษัทเกิดความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจไม่น้อยจริงที่เดียวพระฤราววตะเถระตอบขึ้นทันควันข้าพเจ้าเป็นเพียงมหาโจรคนเดียวในจำนวนห้า้อที่ได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาแล้วกลับใจเป็นคนดี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 แม้จะได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระศาสดาอย่างพระเทวทัตพวกไหนมีจำนวนมากกว่ากันวีรสีหะดทำท่าอึดอัดอยู่ครู่ใหญ่เพราะไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีตอบมาตามความเป็นจริงท่านวีรสรีหะพระเทระสำทับเมื่อเห็นคู่ต่อสู้นิ่งอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียคะแนนเพราะนี่เป็นแต่เพียงการถามเบื้องต้นเพื่อนาไปสู่ประเด็นใหญ่เท่านั้น